ขอนนบโอมต่อพระผู้มีพระภาคเจา้ากราบบูชาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนก็ข อ, อการจากหกลวงพ่อกรมพระจารยร์วนาชัยแล้วก็ข อ, อการเพื่อนสาธบิกเจริญพรพวกเราแม่ชีเน น, เนแล้วก็ญาติธรรมก็พวกเราก็มาวัดกัน ผิวขาดหยุดมาวัดกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆลูกเนเนเนาะก็เหมือนกับสมัครใจมาบวชกันบ้างคุณพ่อคุณแม่ส่งมาบวชกันบ้างก็ดีมากๆเมื่อวานเราก็ได้เห็นเนาะเหมือนกับว่าคนที่มาวัดกันตอนที่มารับลูกเนนกลับบ้าน ก็เยอะแยะกันตอนที่มาสงน้มพระกันก็ยิ่งเยอะมากขึ้นไปอีกตรงนี้เราก็มองว่านี่เป็นเรื่องที่เหมือนกับวัดเนาะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับถ้าเราพูดตามภาษาเนาะต้องบอกว่าเป็นสาระอันกเกษมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีเนาะดีดีงาม ของชาวพุทธเราชาวไทยเราวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์ถือว่าเป็นวันก็เรียกว่าเป็นวันสำคัญของชาวบ้านอีกวันหนึ่งเมื่อบุตรใหม่ๆเนาะเมื่อสิบกว่าปีก่อนนู้นก็วันนี้ <c oughs> ก็จะมีแบบว่าชาวบ้านมาพอเวลาที่เราเทียบกับปีใหม่อนะ่ะเนาะปีใหม่จะมีคน มาดนิดนดนะแต่ว่าเหมือนกับตอนนั้นเรามาจากกรุงเทพแล้วก็มีความรู้สึกว่าปีใหม่คนกรุงเทพก็สําคัญกันพอสงกรานต์คนกรุงเทพก็ไม่ค่อยสําคัญกันเนื่องจากว่าถูกห้ามแต่ว่าพอมาถึงที่นี่ก็โอ้มันสงกรานต์คนเต็มศาลานี่ตรงนี้ก็มีมีสิ่งหนึ่งเนาะที่เรียกว่าเออนี่เป็นเป็นสัญญาณว่าวัดเนาะกับคนเ ก็เป็นสิ่งที่ยังคงผูกพันกันแต่ว่าตรงนี้เราจะใช้วัดนะให้ก็เรียกว่าให้ถูกได้ยังไงการมาทำบุญกันก็ได้ได้เห็นเนาะได้เห็นอย่างช่วงเหมือนกับช่วงลูกเนรบวชเนี่ยจะมีคนมาทำบุญเนี่ยจะเป็นพวกพ่อแม่เนาะพ่อแม่ลูกเนรเนี่ยก็มาทำบุญกันก็ถือว่า มาทำบุญบ่อยนะมาทาบุญบ่อยแต่ส่วนใหญ่ก็มาถึงแล้วก็จะมาถามว่าที่วัดมีอาหารอะไรขาดบ้างก็เหมือนกับกลัวลูกเนนจะอดกัน <c oughs> ก็บางคนก็บอกว่าโอ้นึกไม่ถึงนะแบบว่าส่งลูกเนนมาแล้วก็ปรากฏว่ามาถึงวัดก็เห็นมีอาหารเยอะแยะบอกนึกไม่ถึงนึกว่าที่นี่เป็นวัดป่าเนี่ยจะอดอดอยากๆกัน จริงๆก็งานก็เรียกว่างานบวชเนนภาคฤดูร้อนก็ถือว่าเป็นวันที่ช่วงเวลาเนาะสามปิตย์ที่เป็นพิเศษพิเศษปกติแล้ววัดป่าของเราก็ยังคงเป็นวัดป่าที่ที่เหมือนกับชาวบ้านก็จะมาเหมือนกับ ม, มาใส่บาตรกันเนาะครั้งเดียววันละครั้งวันนั้นนั่นคือตรงนี้ การที่เราจะถือว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นวัดป่าด้วยธรรมเนียมนี้ในขณะที่วัดพระาะทองก็เป็นวัดบ้านเนาะด้วยการที่ชาวบ้านก็มาใส่บาตรกันมามาเาเรียกว่ามาถวายอาหารพระกันวันละสองครั้งก็คือเช้ากับเพนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต่างกันตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับก็เป็น วัดปฏิบัติปกตินะของชาวบ้านแต่ว่าทำนองเดียวกันของเราเองก็จะมีวัดปฏิบัติเป็นหลักของพระกันเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าเราก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนที่หนึ่งก็คือคนที่มาทำบุญกับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่อยู่ที่วัดจะเป็นพระก็ดีแม่ชีก็ดีญาติโยมก็ดีตรงนี้ก็มีวัดปฏิบัติของตัวเองเหมือนกันก็ มีคําถามที่ถามกันอยู่เสมอๆว่าวันๆหนึ่งคนที่วัดทํำอะไรกันนะตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าเป็นหลวงพ่อคําเขียนเนาะที่เป็นครูบาอาจารย์หนะลวงพ่อคําเขียนก็จะบอกอยู่เสมอๆนะบอกว่าพอวางบาศเสร็จก็เราก็ปฏิบัติทมกันเนาะอย่างนี้หรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็เรียกว่า อันนั้นคือหมายถึงว่าถ้าเราล้างบาตรล้างอะไรเสร็จเสร็จจังหันเช้ากันเราก็จะเหมือนกับก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมในรูปแบบกันโดยส่วนของหลวงพ่อํำเขียนเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนก็จะเหมือนกับหลวงพ่อคำเขียนเคยบอกนะฮะบอกว่าสมัยก่อนนี้ถ้าเป็นหลวงพ่อตอนบวชใหม่ๆเนี่ยหลวงพ่อก็จะมักนั่งปฏิบัติ แล้วก็ท่าที่หลวงพ่อนั่งปฏิบัติเนี่ยก็คือท่าที่เอาหลังพิงฝานะแล้วก็ยืดขาไปข้างหน้าแล้วก็นั่งปฏิบัติตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็เอาจริงเอาจังนะกับก็เรียกว่าการปฏิบัติในรูปแบบแต่ว่าพอเรียกว่ามีงานนะพอมีงานมีงานต่างๆ จะเป็นงานวัดงานอะไรต่างๆนานาคำว่า ง, งานวัดนี่ไม่ได้มาหมายถึงงานมอหรลศพนะแต่หมายถึงว่ามีมีเรื่องที่วัดจําเป็นอทิเช่นการขุดบ่อน้ำเนาะอย่างสมัยก่อนนี่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าที่วัดป่าพุทธยานก็จะมีเหมือนกับไม่มีแหล่งน้ําของที่วัดเองแต่ว่าจะต้องเป็นการก็เรียกว่าไปหาไปหาน้ํา ที่เป็นที่ของชุมชนจะต้องเดินไปไกลการที่ไปครั้งนึงเนี่ยหลวพ่อบอกว่าจะต้องมีหาบเนะาะหาบน้ําไปสําหรับเหมือนกับว่าเอาน้ํามาใช้และอีกมือนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องถือกาถือกาน้ำเนาะเหมือนกับว่าเอาน้ํานั้นกลับมาต้มใช้ใช้ดื่มอีกทีนึงเพราะฉะนั้นนั่นคือหาบเนี่ยหาบ ถาถัางน้ำสองถังแล้วก็ยังต้องถือกายอีกอันหนึ่งกลับมาแล้วก็ตรงนั้นก็จะต้องใช้เวลาใช้เวลาเยอะนะบางทีหลวงพ่อก็บอกบอกว่าชาวบ้านก็จะไปเอาเยอะไปเอาในเวลาหนึ่งเพราะฉะ น, นั้นคือหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อก็จะไปอีกเวลาหนึ่งเวลาที่ชาวบ้านไม่ได้ไปกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาตอนดึกๆ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พอหลวงพ่อไปอยู่ที่วัดป่าพุทธยานหลวงพ่อก็ตั้งใจเนะเหมือนกับว่าตั้งใจที่จะขุดบ่อน้าการขุดบ่อน้าตรงนั้นก็หลวงพ่อก็จะต้องเรียกว่าทาเป็นหลักเนาะทเป็นหลักก็ไม่แน่ใจไม่ได้ถามหลวงพ่อว่าตอนนั้นมีพระเยอะแค่ไหนยังไงนะแต่ว่าหลวงพ่อก็ขุดนะบอกว่าขุดบ่อเนี่ย ก็ต้องเรียกว่าขุดถ้าเราฟังดูก็ต้งเียกว่าขุดแบบแบบทุ่มเทยอย่างยิ่งนะแล้วก็การขุดบอน้ำเนี่ยบอน้ำใช้สมัยก่อนๆ น, นะถ้าหากพว ก, กเราเคยได้ทันเห็นพวกบ่อกเก่าๆ เ, เนีายก็จะเป็นบอ่อที่ลึกมากๆนั่นนั่นคือตรงนั้นเนี่ยพอใช้แรงคนขุดเนี่ยก็หลวงพ่อก็จะบอกกับเพื่อนๆนนะบอกว่าถ้าเกิดว่าดินเนี่ยมันถล่มลงไปก็ ทิ้งหลวงพ่อไว้ตรงนั้นเลยไม่ต้องช่วยก <c oughs> ็นั่นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นงานเนาะเป็นงานเป็นงานประจำนะที่เหมือนกับเป็นงานพัฒนาวัดเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเองก็ได้ทําตลอดมาศาลาที่เรากําลังนั่งอยู่นี้ก็เป็นศาลาที่เมื่อก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้เมื่อก่อนจะอยู่บนเขา หลพ่อก็บอกบอกว่าเสาเนี่ยลมพ่อก็จะลากขึ้นไปลากขึ้นไปเนาะจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนเพื่อที่ว่าจะไปทำศาลาเรียกว่าทำหอไตรยอยู่ข้างบนถ้าหากว่าตอนนี้พวกเราพระเองเนี่ยก็อาจจะตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่กุดแปดนะน่นั้น สมัยก่อนซาลาหอไตรก็จะเล็กกว่านี้ประมาณสักเกือบสามเท่าน่ะแต่ว่าเกือบสามเท่านะถ้าเรานึกถึงว่าเสาเสาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะก็ยังเป็นเสาจริงๆที่เคยใช้อยู่พื้นในส่วนหนึ่งก็ยังเป็นพื้นที่ยังใช้อยู่นะหนึ่งในสมของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่อาสนะที่พระนั่งนี้ก็จะเป็นไม้ตะแบกเนาะที่ที่ใช้ใช้กันอยู่ตั้งแต่เดิม นั่นคือตรงนี้หลวงพ่อเองก็จะอาศัยก็เรียกว่าอาศัยการทำกิจเนาะการทำกิจที่ที่เหมือนกับคนสงสัยว่าเอ๊ะวั น, ว, นวันหนึ่งทำอะไรกันเนี่ยตรงนี้หลวงพ่อก็จะทำทั้งหนึ่งเนี่ยการปฏิบัติในรูปแบบด้วยแล้วก็สเนี่ยก็คือการเหมือนกับว่าทากิจต่างๆเนาะที่เป็นเรื่องของก็เรียกว่าการพัฒนาวัด ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเองก็ทุ่มเทมากๆนะทุ่มเทมากๆและโดยนิสัยหลวงพ่อเนี่ยก็จะเป็นนิสัยที่เหมือนกับ mm hmm. ท่านก็ท่านก็เป็นคนทุ่มเทนะ <c oughs> กไ็ไม่ไม่ไม่รู้จะใช้คำไหนที่ดีไปกว่านี้ <c oughs> ท่านก็ทุ่มเทกับงานการทุกอย่างแต่ว่าทานองเดียวกันเนี่ย ในขณะที่การปฏิบัติธรรมในแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็จะมีหลักที่บอกว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยให้ใจมารับรู้เพราะฉะนั้นนั่งคือตรงนี้หลวงพ่อเองก็ถือเนาะก็เรียกว่าการปฏิบัติตัวนั้นเป็นกรรมฐานปกติที่ทําเพราะฉะนั้นวันทั้งวันเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรมากไปกว่ากรรมฐานจะเป็นในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดีเป็นสิ่งที่ หลวงพ่อเขียนก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างครั้งหนึ่งที่สะดุดนะก็เรียกว่าสะดุดสะดุดหูมากๆก็คือในช่วงที่ยังก็เรียกว่าตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชก็มาเหมือนกับมาที่วัดแล้วก็ มารับใช้หลวงพ่อในในฐานะของการที่มาช่วยขับรถให้หลวงพ่อบ้างในบางครั้งพอเวลาที่ไปไหนกลับมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อจะทำเนาะก็คือหลวงพ่อก็จะล้างรถตอนนั้นก็เราก็ยังใหม่ๆนะเราก็ยังไม่ไม่รู้ไม่รู้นิสัยของหลวงพ่อไม่ไม่รู้อะไรดีก็ เหมือนกับพอเราขับรถมาจอดปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นหลวงพ่อก็คือพอปิดรถสิ่งที่ทำก่อนก็คือ <c oughs> ไปเอาสายยาง ม, มาฉีดน้ำล้างรถท่นนั้นก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้นึกไม่ไม่ได้นึกอะไรปรากฏว่าพอส่งหลวงพ่อเสร็จเนะก็เราก็เหมือนกับไปทำธุระของเราพอกลับมาอีกทีหนึง่งก็เห็นหลวงพ่อกำลังล้างรถฉีดน้ำล้างรถอยู่ ก็ก็ตกใจแล้วก็ตกใจว่าเอหลวงพ่อทําไมล้างรถอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้ น, น, น <c oughs> ก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทําเองห <c oughs> ลวงพ่อก็บอกบอกว่ามันเป็นเพียงแค่กิริยาเท่านั้นก <c oughs> ็ <c oughs> ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราก็เรียนรู้นะว่าหลวงพ่อเองก็หนึ่งเนี่ย ก็ไม่ได้ถือว่าท่านกาลังล้างรถอยู่แต่ท่านก็ถือว่าท่านก็อาศัยนะเขาเรียกว่าอาศัยการเคลื่อนไหวตรงนั้นเนาะเป็นกรรมฐานโดยก็เรียกว่าถ้าโดยถ้าโดยส่วนตัวเนาะก็อาจจะมองว่าอันนั้นก็เป็นอุบายเนาะเป็นอุบายทำที่ท่านเองท่านก็ได้เหมือนกับได้บอกเรา บอกเราเหมือนกับว่าถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างเนี้ยก็อยากอย่าทำไปฟรีๆเฉยๆอย่าล้างรถฟรีๆอย่าอะไรฟรีๆตรงนั้นเองก็เหมือนกับพอเวลาที่เราอยู่กับท่านมากขึ้นมากขึ้นเนี้ยเราก็รู้ว่าตรงนั้นเองก็มีความหมายอะไรหลายๆอย่างนะความไม่เป็นอะไรกับอะไรนี้นะใช่ไหมอย่างเวลาเราล้างรถดูแลรถเนี่ย ตรงนั้นเราก็เป็นคนล้างรถเนาะใช่อย่างนั้นพอเป็นคนล้างรถมันก็บางทีโดยศักดิ์ศรีเนาะก็เรียกว่าโดยศักดิ์ศรีของคนทั่วไปเนี่ยการล้างรถก็ดูอาจจะเป็นงานของคนที่ต้องเรียกว่าคนคนรับจ้างเนาะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่านั่นคือหลวงพ่อเองใช่ไม ณวันนั้นเองหลวงพ่อก็เป็นเจ้าอาวาสณวันนั้นเองหลวงพ่อก็เป็นครูสอนธรรมเป็นครูสอนธรรมเป็นอะไรต่างๆตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าอาวาสตัวเองเป็นครูสอนธรรมจะล้างลถไม่ได้นตรงนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นอะไรหลายๆอย่างนะที่เหมือนกับเป็นเรื่องที่เราก็ได้เรียนรู้แต่จริงๆ หลวงพ่อไม่ได้ตั้งใจทำให้ดูแต่ว่าหลวงพ่อก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นบัตรปฏิบัติของท่านที่ท่านทำอยู่แล้วท่านก็จะทำเนาะเขาเรียกว่าทำหน้าที่ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมัยก่อนนี้เวลาที่มามาที่วัดเนาะแม้วันที่ <laughs> บวชก็ตาม กุิเนี่ยที่จะได้อยู่เนี่ยหลวงพ่อเองก็เป็นคนเก็บกวาดให้หมายถึงว่าพอเราเข้ากุตเนี่ยกุติเราก็เรียบร้อยแล้วเอี่ยมเอี่ยมใหม่เอียเอ่ยมเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเองก็จะคอยดูแลนะเเรียกว่าคอยดูแลเรื่องราวต่างๆอย่างที่เราก็นึกไม่ถึงบางบางทีเราก็เหมือนกับไม่ได้เห็นนะเขาเรียกว่าตั้ง ไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อทั้งยี่สีชั่วโมงเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นมาท่านทําอะไรบ้างแต่ว่าเราก็บางทีก็ได้ถามท่านว่ามีไอ้นั่นไหมมีไอ้นี่ไหมอะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยหลวงพ่อเองจะเป็นคนที่เอาใจใส่เขาเรียกว่าเอาใจใส่หนึ่งเนี่ยงานของตัวเองเนี่ยหลวงพ่อก็บอกนะว่างานของหลวงพ่อไม่ล้มเหลวงานของตัวเองก็คืองานปฏิบัติธรรม งานที่สองก็คืองานที่หลวงพ่อเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะกับคนกับคนที่เป็นรอบข้างจะเป็นลูกศิษย์ก็ดีนะจะเป็นญาติธรรมที่มาก็ดีนะอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่หลวงพ่อเาเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของที่หลวงพ่อใช้นะก็ดีอย่างหนึ่งก็คือหลวงพ่อก็เกี่ยวข้องกับชุมชนสังคม ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เท่าที่ดูนี่หลวงพ่อก็ไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ได้ทําเรื่องไหนมากกว่าเรื่องไหนนะแต่หลวงพ่อก็ทําก็เรียกว่าทําเรื่องต่างๆนานาเหล่า น, า น, านี้อย่างสมบูรณ์ทุกๆด้านมีพระจันทร์นบเนาะพระจันทร์นบท่านทําวิทยาดิพลเรื่อง <c oughs> เรื่องว่าการสอนธรรมของพระอาจารย์เผยสารเนาะพระอาจารย์เผยสารวิส า, าโลท่านทําวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าอาจารย์ที่แนะนำแนะนำเขาเรียกว่าที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก็ได้บอกบอกว่าเหมือนกับให้ให้ลงไปด้วยนะว่าพระอาจารย์เผยสารเนี่ยมีเขาเรียกว่า มีต้นแบบเนาะมีต้นแบบของการอของการปฏิบัติตัวหรือว่าต้นแบบของการเรียนรู้ในชีวิตของพระอาจารย์เปยสารเนี่ยมีใครอยู่บ้างก็ตรงนั้นก็หลวงพ่อคำเขียนก็เป็นหนึ่งบุคคลแล้วก็ในจุดเด่นที่พระอาจารย์เปยสารมองเห็นก็คือหลวงพ่อคำเขียนก็จะเป็นบุคคลที่ เป็นพระที่เหมือนกับว่าหนึ่งเนี่ยสอนธรรมด้วยเนาะแล้วก็สองเป็นพระที่สนใจสิ่งแวดล้อมด้วยตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ไปสารเองก็มองเห็นว่าในในบ้านเราเนาะในบ้านเราในประเทศไทยเราเนี่ยครูบาอาจารย์ที่จะมีคุณสมบัติสองอันนี้เนี่ยก็มีไม่มากเนาะ แต่ว่าหลวงพ่อเขียนเองก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เด่นเด่นของท่านคำว่าสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้ว่าเฉพาะเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของธรรมชาติต้นไม้แต่ว่าสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นผู้คนนะที่แวดล้อมอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหลวงพ่อเองก็มีก็เรียกว่าจะเรียกว่าเมตตาจิตเนาะ เมตตาจิตแต่จริงๆโดยส่วนตัวก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากใช้คำนี้เนาะแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่าคำว่าเมตตาจิตที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นเมตตาจิตที่ที่เราพูดกันในเชิงนะในเชิงของการขอเนะขอเมตตาจิตขอเมตตาจิตจากหลวงพ่อให้ทํานั้นทํานี้ให้เราหรืออะไรอย่าง น, านาั้นนแต่ว่าถ้าอย่างโดยส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าของหลวงพ่อตรงเนี้ย เมตตาจิตของท่านอ่ะมันอยู่ในตัวของท่านอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องไปขอหรอกเพราะว่าท่านทําอะไรนะท่านก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยดยเมตตาจิตจะเกี่ยวข้องกับเสนาสนะก็ดีจะเกี่ยวข้องกับอาหารการกินก็ดีจะเกี่ยวข้องกับผู้คนก็ดีนั่นก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ว่าท่านจะเกี่ยวข้องกับตัวเองไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับสังคมไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไร เมตตาจิตที่มีอยู่ในท่านเนาะก็เป็นเมตตาจิตที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอย่างที่เมื่อกี้พระอาจารย์วนาชัยพาพวกเราสวดนะชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นคือเวลาที่พอปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำไปเนี่ยสิ่งที่มันเหมือนกับการที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นตัวเราก็ดี การที่เอื้อเฟื้อให้เราได้มีชีวิตอยู่ได้มีการปฏิบัติธรรมก็ดีตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสพิเศษมากๆที่เหมือนกับว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะมีกันได้ mm hmm. วันนี้ลูกเนนก็ดีเนาะวันนี้หมู่พระเราก็ดีวันนี้หมู่ญาติโยมที่มาอยู่ก็ดีหมู่แม่ชีก็ดีเนี่ยการที่เราจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวันที่เขาเรียกว่า เป็นวันที่เป็นวันหยุดสงกานหรืออะไรยังไงเราถึงจะมาได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยหมายความว่าการที่เราได้เข้ามาที่วัดตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเองเราก็เหมือนกับว่าได้สะสมเนาะตรงนี้มาจะเป็นชาติไหนๆยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าตรงนั้นก็คือเป็นบุญกุศลนะที่ส่งให้เราเข้ามาตรงนี้และยิ่งเราได้เข้ามาที่วัดป่าสุขโตตรงนี้เนี่ย คำสอนของหลวงพ่อคำเขียนก็ดีคำสอนของหลวงพ่อเทียนก็ดีเนี่ยตรงเนี้ยเป็นคำสอนที่เรียกว่าอช่วยให้ <c oughs> มิติของการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับ <c oughs> เพราะว่าเนื่อ ง, งจากโดยส่วนตัวนะอันนี้คนอื่นไม่รู้ว่าเป็นยังไงถ้าเมื่อก่อนโดยส่วนตัวเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ <c oughs> โอ้ไกลเขาเรียกว่าไกลตัวเองไปหลายชั้นมากนะหลายโยศมากเลย เรานี่เข้าไม่ถึงแน่นอนอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาที่นี่เนี่ยคำสอนของหลวงพ่อที่บอกว่าเมื่ออาศัยกายเคลื่อนไหวเนี่ยเนาะให้ใจเอามาคอยรับรู้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าผลเนาะของการทําแบบนี้เนาะคือนี่คือการสร้างเหตุเนาะแต่ว่าผลของการทำแบบนี้เนี่ยใจเนี่ยเนาะที่เมื่อก่อนใจของเราเนี่ยถูกผูกถูกตรึงเนาะ ด้วยความอยากด้วยตัณหาด้วยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเรามีก่อนรู้สึกว่าเพียงแค่แบบเราทําตามหลวงพ่อเนาะแต่ว่าตรงนี้หมายถึงว่าเราต้องหัดเนาะต้องหัดทําให้ได้การที่เราเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เนี่ยใจเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะหลุดออกมาจากเข <c oughs> าเรียกว่าจะหลุดออกมาจากกรงขังเนาะ <c oughs> จะกรงขังของความคิด จะกรงคังของกิเลสต่างๆเนี่ยได้อย่างเขาเรียกว่าได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะเนื่องจากว่านี่นี่คืออุบายที่หลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคําเขียนเองก็ดีเนี่ยได้ช่วยให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อืมสะดวกนะสะดวกสำหรับคนรุ่นหลังมากๆนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าหลวงพ่อเองเมื่อก่อนเนาะก็จะบอกบอกว่า อันเนี้ยนะการปฏิบัติแบบเนี้ยมันเป็นทั้งเบื้องต้นนะทั้งท่ามกลางแล้วก็ทั้งที่สุดเนาะหรือว่าเวลาที่เราสวดมนต์กันเนี่ยอเราก็สวดมนต์กันบอกว่างดงามทั้งเบื้องต้นงดงามทั้งเบื้องท่ามกลางแล้วก็งดงามทั้งที่สุดเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเนาะนี่คําสอนของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคําเขียนก็ดีเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นเหมือนกันนั่นนั่นคือในโอกาสที่เราได้มาใช้วัด ตรงนี้เนาะนอกนจากว่าเราจะมาทําบุญกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นบุญที่สุดเนี่ยก็คือการมาปฏิบัติธรรมกันแล้วพอเรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยการที่จิตใจของเราเนี่ยจะถูกดูแลด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าสติเนาะการรู้สึกตัวก็ดีหรือสติก็ดีที่จะดูแลกายเราจะดูแลใจเราตรงเนี้ยมันจะเป็นการที่เราจะเห็นก็เรียกว่า เราเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้กายได้ใช้ใจเนี่ยค่อยๆก่อรูปขึ้นมาเนาะเป็นเรื่องคุณงามความดีต่างๆเราอาจจะเคยนะก็เรียกว่ากินข้าวไปวันๆหนึ่งแต่พอเรามาอยู่ที่วัดเนี่ยเราก็ได้ฉันเนาะเพราะเนื่องจากว่ากิริยาของการกินเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติทมไปเนาะตรงนี้เนี่ยการเดินก็จะกลายเป็นการจงกรมไป ตรงนี้เองนะพระจันโนต์ก็ได้บอกกับลูกเนนบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยแบบว่าเป็นมหาบุรุษเพราะท่านเนี่ยได้เอาสิ่งที่เราเคยใช้ประจำวันกันนะเราเคยเดินเราเราเคยกินเราเคยอยู่เราเคยนอนเราเคยอาบน้ำเราเคยเล่ตนตาน า, นานเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยได้กลับกลายเป็นว่าเอาสิ่งที่เราเคยทาอยู่ประจำวันแม้กระทั่งเราหายใจอยู่เนี่ย เอามากายมาเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเมื่อเราได้เอาคำสอนของพุทธเจ้าก็ดีคำสอนของครูบาอาจารย์ก็ดีเนี่ยตรงเนี้ยมาปฏิบัติกันสิ่งที่เราจะได้รับก็คือผลของการปฏิบัติเนาะความสงบเย็นที่เราจะเกิดขึ้นเนาะสิ่งที่เราเริ่มทาตรงที่ตรงทางจะเกิดขึ้นตรงเนี้ยเราจะได้เหมือนกับว่าได้ค่อยค กัตัญญูรู้คุณเนาะเรียกว่าผู้คนที่อยู่รอบๆข้างเราชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นตรงนี้เนี่ยเมตตาจิตของเราเนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่เราค่อยๆก็เรียกว่าระลึกถึงบุญคุณคนรอบข้างกิริยาอาการที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นการคล้ายๆว่าเป็นการคืนเนาะก็เรียกว่าคืน <c oughs> <c oughs> ก็เรียกคืนอะไรอะ ตอบแทนบุญคุณคนรอบข้างไปในตั ว, น, น, ตวนั้นเองคือพวกเราจะมาอยู่กันที่วัดตรงนี้เนี่ยกี่วันก็ตามจะมาในโอกาสสงกรานก็ตามไม่โอกาสสงกรานก็ตามเนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้อาศัยเนาะเวลาทั้งหมดที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมมีเวลาปฏิบัติใ น, ในรูปแบบก็ปฏิบัติกันมีเวลาปฏิบัตินอกรูปแบบกันแบบทั้งวันทั้งวันเนี่ยเนาะก็ปฏิบัติกัน จะมีงานอะไรกันให้ทำก็ตามก็อเอาการงานต่างๆน า, นานาเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยก็จะได้เดินตามรอยของท่านเนาะตามรอยของท่านที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรพวกเราลองดูกันเนาะก็วันนี้ก็พอสมควรเดี๋ยวพวกเรากลับ พ, พร้อมกัน